สมุทัยกับนิโรธในหลักอริยสัจสี่ที่ท่านพูดถึงในหลักมหาสิปทานเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องเดียวทั้งสมุทัยทั้งนิโรธสมุทัยคือเหตุเกิดของกองทุกนิโรธคือความดับทุกขท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงอะไรท่านพูดถึงเรื่องเดียว ในสมุทัยท่านพูดถึงอะไรในนิโรธท่านพูดถึงอะไรทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธท่านพูดถึงเรื่องเดียวคือตัณหาสมุสมทัยเวลามันจะเกิดมันก็จะเกิดที่ตาเมื่อจะตั้งโยก็จะตั้งที่ตาตาเป็นที่ครับ เป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจในโลกหูเป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจในโลกจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อเวลามันจะเกิดมก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นน่ะนี่เราพูดโดยสรุปตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็เกิดที่นี่เวลามันตั้งอยู่มันก็ตั้งอที่นี่อันนี้คือสายเกิดสายเกิด เว่าสายเกิดคืออะไรเกิดทุกเกิดกองทุกเกิดความทุกเกิดนี ula, ่คือสายเกิดสายดัำของมันเป็นไงสายดับนิโรธเรานิโรธมาพูดนี่เป็นสายดำท่านพูดถึงตาโอ้ยจมูกท่านพูดถึงตาหูกลิ้นกายใจเหมือนกันตาเป็นที่รักเป็นที่ยินดีพอใจในโลกหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเป็นที่พอใจในโลก ในเมื่อตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่นิ้นที่กายเมื่อไรเมื่อจะตั้งก็จะตั้งอยู่ที่นี่อเมื่อจะละตัณหาเนี่ยพระพิยมานาพระพิญติละตัณหาเนรุตชมานาเนรุตยติเมื่อจะดับตัณหาก็ดับที่นี่ดับที่ตาที่หูที่จมูกที่นิ้วที่กายที่ใจเมื่อตัณหามันจะเกิดก็เกิดที่ตาหูจมูกกายใจ เมื่อจะดับมันก็ดับที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี้ท่านมาไล่เราฟังเหมือนสุงเหมือนหลักสุงแต่เวลามันเกิดเวลามันดับจริงๆด้วยนิโรดด้วยนิโรธาธรรมหรือโดยปฏิเวธธรรมคือผลปรากฏโดยการตั้งใจประพฤติธรรมได้ปฏิบัติตามทําได้มันดับที่ใจมันดับความอยากที่ใจดวงเดียว เมื่อความอยากที่ใจดวงเดียวไม่มีตาก็สัาตว์ตาตาว่าตาเก้อเก้อรูปก็สัตว์รูปเก้อเก้อหูก็สัตว์หูก็เก้อ เ, เสียงก็สัตว์เสียงเก้เก้อเพราะใจมันดับเวลามันดับมันดับที่ใจนี่ท่านพูดถึงกิริยาที่มันจะเกิดจะเพิ่งเกิดขึ้นคือเหตุคือปัจจัยตาหูจมูกริมฝีมกากใจคือเหตุคือปัจจัยไปสู่ใจ รูปเสียงรีลดโพธิภะธรรมารมณ์คือเหตุคือปัจจัยนําความยินดีนําความยินร้ายไปสู่ใจตัณหาเวลามันจะเกิดมันก็จะเกิดที่นี่เวลามันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยูที่นี่เวลามันจะดับพอมันดับที่ใจหมดแล้วรูปเสียงรีลดโพธิภะธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ดับดับเมื่อเมื่อมันเมื่อจะละก็ละมันก็ละที่ใจ แต่ด้วยเหตุที่สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของใจท่านก็นเลยพูดพ่วงไปด้วยเมื่อทํางานที่ใจมันดับที่ใจได้อย่างเดียวแล้ว่ตาหูยูุ่บรินกายใจรูปเสียงกิรพงศโพธพัธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่โดยสภาวะตามหลักธรรมชาติไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอิทธิพลอะไรฤทธิ์ดเดชอิทธิพลแทๆ้ๆอยู่ใจตัญหามันอยู่มันอยู่ที่ใจตาหูยุบินกายใจ โรคเสียงรับโพธภิภพธรมรมารมเป็นเหตุเกิดของมันเท่านั้นไม่ใช่ตัวมันแทๆ้ๆตราบใดที่มันมีที่ใจมันออกมากระทบออกมาทางใจออกมาทางตาไปกระทบรูปมันออกมาทางหูไปกระทบเสียงออกมาทางกลิ่นทางรสทางสัมผัสทางธรมรมารมออกมาแล้วก็ไปสัมผัสไปสัมผัสที่ใจไปสัมผัสที่ใจนำความยินดีไปสู่ใจนำความยินร้ายไปสู่ใจ เราท่องถ้าคนมีปัญญาในการจับหลักในการท่องสอัอยจําได้ง่ายจําสมุทัยได้ก็จะจํานิโรธได้นะทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธท่านถึพูดถึงธรรมะ อ, อายตนะภายนอก6กอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกอายตนะภายใน6เป็นภิยรูปสาตวรูปเป็นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเป็นที่ยินดีในโลก ถ้พถึงสิ่สองสินี่แหละเป็นที่รับใคร่เป็นที่ยินดีในโลกตาอุจมุนกายใจรูปเสียงรถโพธิภพธรรมารณ์อายตนะภัยเนยอายตนะภายนอกท่านพูดถึงวิญญาณหท่านพูดถึงภัสรศหกท่านพูดถึงเวทนาหกท่านพูดถึงสัญญาหกท่านพูดถึงสัญเจตนาหกท่านพูดถึงตันหาหท่านพูดถึงวิตกหก ท่านพูดถึงวิจารหกอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสัญญาธนาตัณหาวิตกวิจารสิ 10. ปิยรูปสารรูปสิปิยรูปสารรูปคือสิบที่ท่าไล่ท่านไล่การไล่ทานนี้<ม>เนื่อง ม, ม, มาจากอายตนะ สัมผัสสัมผัสกับอายทนะภายนอกอายนะภายในสัมผัสสัมผักันกับอายทนะภายนอกอฉนอย่างตาเห็นรูเกิดจักขวิญญาจักขบิญญา낭โลเกปิยรูปังสาตรูปังนะหูได้ยินเสียงโสตะบิญญาโสตะโสตะบิญญา낭โลเกปิยะรูปังสาตารูปัง อเอธเสชาตันหา้าอุปัจชมานเอาปัจติเวลาจะเกิดได้เกิดที่นี่อเอทาวินีสมานานิวีสตินีมันจะตั้อยู่ก็ตังที่นี่ถ้าท่านพูดถึงตันหาถ้าท่านพูดถึงนิโรธจกขุวิญญา낭าโลกเยปิยะรูปัสษะตัรุปัง เอเทซาตันหา้าเปหิยมานาเปหิยติเอทะนิรุจฉะมานานิรุจติเมื่อจะลกกะกลัทีนี่เมื่อจะดับกระดับทีวนี่เราจับได้แค่นี้เราก็ไล่ไปเรื่อยเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจกําหนดจํากําหนดนึกกําหนดท่องในใจกำหนดจํากําหนดท่องได้ง่ายจะได้ทำให้เร า, เราลองนึก ถึงสิ่งที่เป็นเจ้าเป็นจองในหัวใจของเราถ้าเราโมจะไปสนใจเพลินอย่างอื่นเราไม่เคยย้อนมาศึกษาเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้มันดึงมันลากมันฉุดเราไปตลอดตัณหานี่แหละตัวนี้แหละมันพาเราฉุดเราลากเราดึงเหตุปัจจัยของมันก็สิบอย่างตางที่เราได้ฟังนะ่ะเหตุปัจจัยสิบอย่างนั้น้าเรียกว่าปิยรูปสาตรูปมีอะไรบ้างมีอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณหกภัทสะรหเวสเวทนาหก จักขุสัมผัสสชาเวีนาโลเกปิยรูปังซาตรูปังเวทนาเป็นที่ยินดีเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลก mm. เอเทซาเอเทซ่าจักขุสตเอเทซ่าตันห้าเอเทสาตันห้า mm. พหิยมานาพิยติมุจฉลักลัที่ยนีเนรุชมานาเนรุจติมุจะดับดับที่นีหรือเวลามันเกิดนะเวลามันเกิดเวลามันเกิดอะไรนะเวลามันเกิดเวลามันเกิด เอธทาตันหาอุปัชมานาอุปัชติเอธ ะ, อะวิณีสมานาวิณิสติเวลาจะเกิดเวลาจะดับกับปิยมนามานาปิยตินิรุชมานานิรุชตินี่หมายถึงเวทนาเวทนาแต่มันไม่ใช่ตัวเวทนามันดับมันเป็นตัญหาดับเราต้องเข้าใจด้วย ตัณหาที่อาศัยเวทนาเกิดมันดับความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ตัณหาดับก็ไม่ใช่เวทนาดับความอยากอาศัยตัณหาเกิดขึ้นน่ยมันดับความอยากอาศัยสัมผัสเกิดขึ้นจากอายนะภายในัหอายุนาภายนอกหมันดับความอยาก เกิดขึ้นจากสัญญาความจาได้หมายรู้จากตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงอิจฉาภายในอิตนาภายนอกมันดับความอยากมันดับสังเกตนาความรำพึงราพันความคิดถึง่สังเกตนาความจงใจความคิดถึงความอยากอันเกิดขึ้นจากการนึกการคิดไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสที่เราเคยได้สัมผัสสัมผัสมันดับความอยากเหล่านั้นมันดับ ไม่ใช่กิริยาอาการสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันดับแต่ความอยากอันอาศัยสิ่งเหล่านั้นน่ะมันดับก็ต้องพยายามจำต้องพยายามเข้าใจตรงนี้นะให้เข้าใจตัวไร้ากาตัวเดียวทเหล่านันดับแต่เวลาถ้ามาเจ็บแสบมันก็มันเหมือนกับเหมือนเป็นหลักสูตรต้ไล่เรียงกันเวลามันเกิดมันเกิดครั้งเดียวมันก็ดับมันก็ดับครั้งเดียวดับต้นเหตุต้นเดียวที่ใจนอกนั้นมันดับระนาวไปหมดเป็นแถว ที่เรียกว่าสายเกิดสายเกิดก็เกิดเป็นเท้าคนมาสายดับมันก็ดับเป็นเท้าเดดับที่เดียวดับที่ใจพอมันดับที่ใจแล้วสิ่งเหนั้นก็เก้อเก้อเินไม่มีปฏิกิริยามันเกิดขึ้นจากการที่ไปสัมผัสให้เกิดความอยากความอยากมันแสดงมาในรูปของยินดีแสดงมาในรูปของยินร้าย เพราะความทําความเข้าใจให้ควรให้ดีแ well, ล้วก็ย้อนมาที่จิตให้ควรได้ดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราย้อนมาที่จิตนี่จะทําให้เราเข้าใจเป้าหมายเป้าประสงค์หรือใช้สมรภูมิที่ทํางานถ้าเราส่งจิตล่องลอยไปที่อื่นนี่เป็นงั้นอันนี้เป็นนี้อันนี้เป็นงั้นเวลามันเกิดเวลามันเกิดคนนั้นเขว่าเกิดอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าเกิดอย่างนี้ฟังไปแล้วเราสับสนไปหมด บางทีก็โดนเดาเกาหมาัดภาวนาแล้วเกิดวิคนจริตเกิดบ้าบอเกิดอย่างนู้นเกิดนี้เกิด อ, อะไรก็เพราะมันไม่ได้หมุนมัดตรงนี้อาศัยกิริยาเหล่านี้แหละมันส่งเราให้ล่องลอยไปตามความอยากของมันยุไปอย่างนั้นยุไปอย่างนี้แล้วก็ไปติดติดนู่นติดนี้เขามาติดหมายความว่ามันติดยินดีบางที่ไปเจอสิ่งที่ไม่ไม่น่ายินดีมันก็ไปติดยินร้ายนี่เห็นไหม มันย่ให้ไปยินดีมันยุให้ไปยินร้ายมันไม่เคยให้เราย้อนมาดูตัวมันเราศึกษาตรงนี้เราศึกษาถูกเป้าย้อนมาที่ใจกึกเดี๋ยวนี้เราก็เห็นใจเห็นเห็นผู้รู้คือใจคือผู้รู้ในระหว่างที่เราใช้สติใช้สมาธันจะปฏิบัติขัดเกลาลตัญหามันไม่เกิดทำไมมันถึงไม่เกิดเพราะเราตั้งสติรโเขาขึ้นมาตามหลักมหาสติ อาศัยสติเป็นตัวระลึกเป็นตัวรู้เป็นตัวส่องสวา่างแต่ถ้าเราส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆเมื่อก็เราสง่งตรงนี้แหละสมมติตรงนี้เป็นทางผ่านสมม ต, ติตรงนี้เ อ, อเายกตัวอย่างเช่นอย่างอ่ากล้องวงจรนี่เ็าส่องไปตรงนี้ตรงนี้เป็นทางสำหรับคนเดินในระหว่างที่ไม่มีอะไรเดินมามันก็ส่องอยู่งนั้นมันก็ส่องอยู่งนั้น ส่องไปส่งไปพอเวลามีโจกัมีขโมยเดินผ่านมามนก็รู้โอ้หนึ่งคนสองคนกิริยาอาการทำนั้นทำนั้นทำนั้นมันก็เห็นหมดมรู้สมมติเราส่องไฟดูคอยดูตรงนี้เป็นช่องที่ศัต์มันเดินเนี่ยในระหว่างที่ไม่เห็นก็คือส่องส่องไปส่องไปส่องไปพอเวลาสัตว์มันผ่านก็นมามันก็เห็นจิตติภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับความสว่างที่เราส่องบนทางส่องดูนี่แหละ ด้เหตุที่เราทำไปด้วยทำไปด้วยเราสังเกตัสังกาทำไปด้วยทำไปด้วสติของเราก็กล้าปัญญาของเราก็เริ่มแข็งสติปัญญาของเราก็เริ่ ม, ม, ก, มกล้าพอเวลามันตัณหามันโผล่ขึ้นมามันสปาร์กกันรุนแรงกันสปาร์กเพื่อเดียวหนึ่งโอ้ยปวดหัวหายไปเหมือนกับหายหมดไปเลยแหละอลองสังเกตสังกาลองคอยจดจดจ้องดู เหมือนกับว่าเราส่งไฟคอยดูตรงนี้เป็นต้นต้นทางที่สักย์มันเดินเนี่ยปืนเราก็ค่อยเล็งใส่เนี่ยปืนเขเล็งใส่ผ่านมาแลัปัง้งอ่าผ่านมาปึง้งนี่เราเปรียบเทียบถ้าเป็นปัญหาก็คือมันยุบย่อลงไปแหละมันไปอีกไม่ได้มันมาชวนจิตของเราปรุงนึกคิดไปเรื่องอื่น จือซื่ อ, อยาวยืดออกไปเป็นอดีตเป็นอนาคตยืดจาวไกลออกไปมันไม่ได้ก็จบลงแค่นั้นก็ดับแค่นั้นเพราะฉะนั้นสติท่านจริงว่าเราอาศัยสติสักแต่ว่าสักแต่ว่าระลึกรู้เท่านั้นไม่มีคําว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีคําว่าของของเราเข้าไปไปอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเหล่านั้น อาศัยศักดสิทธิว่าจริงๆเราลองพยายามทําให้เห็นในขณะปัจจุบันตัญหาไม่เกิดมันไม่เกิดคือมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านมโนธรรมของเรามันไม่ผ่านโดยที่มันหมดไปเรามันไม่ผ่านหรือมันไม่ผ่านทั้งๆที่มันยังมีอยู่ถ้ามันยังมีอยู่เราก็ค่อยส่องรู้อยู่นอเดี๋ยวมันโผล่มาเห็นโผล่มาให้เห็น มันผ่านไปไม่ได้หุบก็ไปคืนเมื่อก็หวมันกำลังโผล่ขึ้นมามันกำลังจผ่านไปเนี่ยเพราะมันเห็นเราคอยจัคอยจ้องเห็นปะมันก็ฮดตัวเข้าไปคืนตามไปเล่นงานมันจะนี่ไม่ปล่อยไม่อยู่เละตามไปเล่นงานมันเลยอ่ะเหมเมื่อเราคอยจับแย้เนี่ยมันพล่ขึ้นมาพลอแย้มันเข้ารูแยมเข้ารูเราต้องการแย้ เราค่อยดูจ้องมันอยู่จ้องมันเข้าไปแล้วเดี少し少し๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาอีกมันค่อยๆแอบโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาพอเราไม่เห็นมันเนี่ยคือเราอยู่ในที่ที่มันไม่เห็นเรามันก็จะโผล่ยามาหมดตัวหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่สังเกตสังกาเห็นมันได้ง่ายสติของเราไม่ดีความเพียรของเราไม่ดี ตัญหามันโผล่มาสองขนาดจิตสขนาดจิตสิขนาดจิตก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราศึกษาสติสัมปชัญญะของเราแก่กล้าลงพอแย่มันเริ่มโผล่ขึ้นมาบ่มาเห็นเราเราก็เห็นมันโผล่มาปั๊บเนี่ยโผล่มายาวสั้นขนาดนั้นเราก็เห็นพอมันเห็นเราปั๊บลุกลงไปมันไม่อยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่รูมันไปอยู่ในรูปัญหามันโผล่มาไม่ได้มันแสดงตีเดียวมาไม่ได้ ตามันยังมีริ์มีเดี่ยอยู่มันก็ยังอยู่ในจิตเพราะจิตตรงนี้มันเป็นตัวพยศเสเองจิตตรงเนี้มันเป็นตัวที่ทเป็นศัตรูเพรามันศัตรูอยู่ในนั้นมันเป็นตัวศัตรูเสียเองมันมีสิ่งที่พาแทรกให้เป็นศัตรูหลวงตาท่านว่าจิตตรงนี้ถ้ามันยังมีตันหาอยู่ด้วยก็คือตัวศัตรูอยู่ในนั้นท่าให้ตีให้แหลกเลย อย่าไปหัวว่ากลัวจิตจะแตกจะแหลกไม่ต้องกลัวตีเสร็จแล้วหลังจะหน้ามาค่อยจะค่อยรู้ตัวว่าอะไรเหลือแต่ถ้าหากเรายังไม่ทันมันเราคิดว่าตีไปแล้วเขาจะโดนเราตีไปแล้วจะโดนเราตีไปแล้วจะโดนเรานี่แหละพวกเราไม่ไปหน้า ม, มาหนละังเพราะว่าเราฝึกขัดดัดแปลงซะหน่อยหนึ่งโดนเราโอ๊ยเหนื่อย โอ้ยสู้ไม่ไหวโอ้ยเวลาไม่พอโอ้ยฟุ้งซ่านรำคาญโอ้ยอันนั้นก็ไม่ทาอันนี้ก็ไม่ทาเราติดไปหมดนะในเมื่อเราติดไปหมดมันเราติดไปหมดก็เลยไปสนองให้งานสนองงานให้กับมทั้งหมดสนองสนองงานให้กับตัญหาทั้งหมดไม่เคยเห็น ม, มันเมื่อแย่มันอยู่ในรูเนี่ย เรารู้อยู่มันอยู่ในนี้แหละอยู่ในใจนี้ท่านจะให้ขุดคุยขุดคุยขุดคุยการกดคุยนี่มันก็มีทุกบทที่เราสวดพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเวลาทํางานมันสัมผัสสัมผัสทั้งเรามาเป็นอันเดียวกันกายเวทนาจิตธรรมทั้งเรามาเป็นเดียวกันตัวที่พา้ทํางาน คือตัวนี้สมมติว่าอย่างตั้ง5้าอันเนี่ยกายเวทนาจิตรมทํางานประสัดประสานเพื่อเพื่อจับตัวจําเลยตัวเดียวคือตันหาเนี่ยเนี่ยคือตัวเดียวเพื่อจับตัวจําเลยคือตัวตันหาตัวเดียวเราจะทํางานอะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะจับตัวนี้จะพิจารณากายจะพิจารณาเวทนาจะพิจารณาจิตก็ตามแม้ที่จะพิจารณาธรรมเหตุที่เป็นที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านี้ท้าเรียกว่าธรรม มันเป็นผลที่มันจะพึงปรากฏมันเป็นกิริยาอาการในการกระทําของงานที่เราพิจารณากายพิจารณาเวทนาธรรมเหล่านี้มันเป็นธรรมที่ชี้บอกมาว่าสิ่งวันนี้มีอยู่ในนี้อตัณหาเกิดที่ตาหูจมูกที่กายใจสัมผัสสัมผัสไหมที่กายที่เวทนาอที่ใจที่ใจก็คือมโนมโนหรือสรมมาธรมมาสัมผัสสัมผัสที่ใจ เราตีอย่างเดียวมันก็เทื่อนถึงกันหมดอ่าไปสัมผัสกับร่างแหร่างเดียวก็เทือนไปถึงจอมทั้งหมดจอมแหรเพราะตัวมันมันที่จอมตัวจอมตันหามันอยู่ที่จอมก็เทือนไปที่ที่หนึ่งหมดจะเกิดความรู้จะเกิดความเข้าใจอะไรมันก็ต้องเถื่อนถึงกันถึงกันหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องข้องไม่ต้องเข้าใจว่าเออเราทําอันนี้เสร็จแล้ว ต้องทำอันนี้ทำอันนี้เสร็จแล้วก็ต้องทำนี้ทำนี้เสร็จแล้วก็ต้องทำนี้เราว่าเป็นแปลนเป็นแนวเป็นแถวไปเนี่ยโดยที่เราไม่เห็นไม่เห็นเวลาทางานทางานประสาประสานกันเป็นเดียวกันนี่เราฟังในแนวปฏิบัติเราฟังในแนวปฏิบัติเราเห็นว่าสีมันนีมาสัมผัสสัมผัสมัเกี่ยวข้อกันถ้าเราไปศึกษาเรื่องปริยัเราศึกษาเรื่องรู้รู้เนะเวสนาก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาจิตก็ไม่ได้ศึกษา แต่ในขณะที่เราปฏิบัติสัมพันธ์ในขณะเดียวกันกายวัยชนากับจิตมันสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันถ้าบริจะปล่อยปัญหาให้เกิดมันเกิดในขณะเดียวกันมันสัมผัสสัมผัสกันเหมือนกับทั้งห้าอันเนี่ยมันสัมผัสสัมพันธ์กันหมดเนี่ยที่เราดูผู้ใเจ้าตัานแต่ฉันฉลาดทั่วถึงทะลุปุโป่งนะเพราะสิ่งที่จะเป็นช่องเป็นรูเป็นทางเป็นทวาร ที่ทำให้จิตตรงนี้ออกมาทํางานคือตาออกไปเพื่อเห็นรูปหูออกไปเพื่อได้ยินเสียงเวลาได้ยินจริงๆอะไรได้ยินใจได้ยินใจได้เห็นใจได้ยินใจได้กลิ่นใจได้รสกายนะกาใจได้โพธิภพะใจได้ธรรมรมเพราะชาติที่มันได้คือยินดีพอพอใจที่ใช้ไว้ยินดี ยินร้ายไม่พอใจยินดีมันพยายามโคยเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามายินร้ายมันพยายามพลัออกไปพลักออกไปพลักออกไปพลักออกไปฤทธิ์เดชของมันเท่ากันฤทธิ์เดชของมันดึงเข้ามากับด้วยอำนาของความโลภพลักออกไปกับด้วยอำนาจของความโกรธเกิดขึ้นที่เดียวคือที่ใจดวงเดียวดูไปที่ใจไมเห็นดูไปที่หอื่นไม่เห็นเพราะฉะนั้นบทส่วนเหล่านี้จึงเป็นบทสวดที่มีความสําคัญมาก มุนมาหาต้นต่ อ, อตัวเหตุตัวปัจจัยที่จะพึงเกิดตัณหาพอตัณหาโผล่ขึ้นมาปั๊บอุปาทานพบชาติเกิดแก่เจ็บตายชรามารณะโสกปริเทวะทุกขโทมนณะอุปญายาไปจนถึงอุปายาสกนุลองปล่อยตัณหาเกิดแต่ถ้าตัณหาถ้าตัณหาไม่เกิดมันดับ มันหยุดแค่ตัณหาอุปาทานก็ดับพบก็ดับชาติก็ดับทุกทมนล้อุปาญญาเกอแเก่ียเจ็บตายที่เป็นอนาคตการดับระรูปรูปประคันเนี่ยอนาคตการก็มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วมันดับระระระดับไปจนสุดแต่ว่าเวทนายังมีอยู่เหมือนเดิมในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เวทนาเจ็บ รู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายแต่ตัณหารู้สึกยินดีมันดับไปรู้สึกยินร้ามันดับไปการสัมผัสอย่าน้อนอ่อนแข็งอะไรรู้สึกเหมือนเดิมตามหลักของธรรมชาติไม่ใช่ดับเวทนาได้โอ้คนนี้หมดเวทนาแล้วไม่มีเวทนาเนี่ยใช่ไหมเราฟังแล้วมันคานกับหลักความจริงความยากมันดับเห็นก็สักจะว่เห็น ท่านจึงว่าได้เห็นสัพเทว่าได้เห็นได้ยินสักเทวาได้ยินได้กลิ่นสัพเทวาได้กลินตั้หาไม่เกิดเพราะเข้าใจหมาแล้วรู้อยู่เปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยแซ่บใส่ผองชุบยี่ห้อไหนก็นตามรู้สึกว่ารสชาติดีงั้นดีนี้แต่หมดความยินดีหมดความยินร้ายสักเทว่ารสสักเทว่ารสหมดตั้หาหมดความอยาก ไอ้ตัวนี้เราละว่าตัวอะไรตัวปัญญาที่จะมาเสริมให้จิตของเราละเอียดที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นรู้เท่ารู้ทันจนกลายเป็นหลักธรรมชาติไปโดยอัตโนมัติเนี่ยจนไปถึงภาวะที่ไม่กําเริบเราลองมาพิจารณาดูเราทดสอบตัวเราเองมันยากหรอกตรับใดทยัง ม, มันยังกําเริบก็คือมันกําเริบ เราอไรที่มันไม่กำเริ่มรู้ด้วยตัวของตัวตัวเองท่านจึงว่าปัจจตบันปัจจุบังเวทิตาโพเป็นผิดดูด้วยตัวตัวเราเองไม่ต้องมีใครบอกบางคนก็ไปเอาคำมาว่าผิดผิดโอ้ยพระเจ้าท่านไม่อยู่แล้วไม่มีใครเป็นผ้ารหันผ้ารหันจะต้องผ่านการพยากรณ์ไม่ใช่ ที่พระเาท่านพญากรเนี่ยท่านบอกให้พระหูหนวกตาบอดได้ยินได้ฟังทัางหาดอกเหมือนอย่างพระที่เป็นผุ้ทุจริตจับผิดพระจักขุบาลจ้พระจักขุบาลท่านตาบอดฝนตกใหม่ๆแมงมุแมงเม่าออกมาบินเตะไปหมดั้งไปเดินแมงเมามันก็เดินมาบินตามบ้างบินจู่บ้างอะไรบางท่านเดินไปเดินมาม ال, ม in roses, เดินไปท่านไม่เห็นท่านเดินจับราวเดินตามท่านตาบอดน้องชายมาทําให้ แมงเม่ามก็บินสูงบ้างตามม่ำบ้างอะไรบ้างท่าก็เยียบตายอยู่นั่นนหะพระพุตติจนก็นเลยไปยกโทษยกก่อนเฮ้ยสมัยหูดีตาดีไม่อยากทำความผากความเพียนเวลามาหูหนวกตาบอดทำเป็นรีบเร่งมาเพนเพียนอย่างนั้นนี้ต้องหนียกโทษมีคนไปฟ้องพระเจ้าเพราะว่าลูกของเราไม่มียินดีไม่มียินด้าไม่มีเจตนาไม่มีจงใจ ลูกของเราผลแล้วผนวิเศษแล้วนี่ท่านไม่ได้บอกพระจากกุมารท่านบอกพระหูหลวงตาบอกเหล่านั้นแต่พวกเรากเอามาอ้างผิดดิเอามาอ้างผิดดิเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วไม่มีพระอาหารเกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งนนในบทพระธรรมและก็บอกสวากาโตปปัตตาโมพระธรรมอรมันพระพู้มีพระภาคตรัสอยู่แล้ว ไอ้ปสิโกโอปาริโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ไหนมาดูที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมาดูที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รถที่พอตพัทธะที่ทำอารมณ์ขี่ใจสรุปลงมาคือน้อมลงมาที่ใจธรรมะองที่เจ้าโอปาริโกปัจจตังน้อมเข้ามาแล้วจะเห็นเองเห็นเฉพาะเองปัจจตังปัจจตังเห็นเฉพาะตัวของเราเอง เว็บติดตัววินอันวินยูพึงรู้จำเพาะตนในปทธรรมขคุณเราไปดูวิญญาณ เ, เป็นสวักขาดสถาบตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบคําว่าตรัสไว้ดีนล้วหมายความว่าตรัสไว้ถูกแล้วตรัสไว้ตรงแล้วตรัสไวไ้ไม่บิดเบือนไปอื่นแล้วเนี่ยตามนั้นมีไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวพระองค์มีชีวิตยอยู่ก็ตามองล่องไปแล้วก็ตาม พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นึ่เที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นตลอดเพราะฉะนั้นยุคสมัยที่พระองค์เป็นผ่านไปแล้วยุคต่ อ, ต อ, ตอมาพระอาหารก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงสมัยกูบายจาของเรามีงหรือว่าใครก็ตามตั้งใจปฏิบัติตามอริยมรรโลงแปก็ อ, อริยมรรโองแปดคือทางดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์โดยชื่นเชิง เป็นหนทางตามหลังพระองค์ไปตามหนังพระสงฆ์ ส, สวาวรพระรยาสวาวกต้องหลายต้องบวงไปแต่ถ้าเราไปเรียนจบกีพระไตรปิฎกก็ตามแต่พดยที่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยน้อมมาหาใจไม่เห็นกิริยาการของความอยากดิ้นทนภายในหัวใจของเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะดับออันนั้นเขาเรียกว่ามีแต่เรียนเฉยๆแล้วมันเคยย้อนมาดูแล้วก็ไม่เห็น มีแต่ปฏิบัติไม่มีแต่ปริญญาแล้วก็ไม่มีปฏิบัติเ ม, มื่อมันไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีปฏิเวทโดยเหตุที่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติจึงมีปฏิเวทปริญญาปฏิบัติปฏิเวทเขาเรียกว่าสัทธรรมสัทธรร ม, มบางคนก็ไปเอาคําเตือนของพระพุทธเจ้าพวกเธอระวังให้ดีนะในอนาคตการต่อไปเนี่ย พวกเราจะไม่ศึกษาจะไม่ศึกษาคําที่เป็นคําสอนของเราตถาคตนะพวกเธอจะไปยินดีกับคําสอนของปราชขอมบรณดิตสมัยใหม่ภาษากาบโคลงกรอนฉันทำเป็นเหตุทำให้พวกเธอเนี่ยไปสนใจเพื่อนอนอันคําสอนที่เป็นหลักศัจธรรมที่แท้จริงอันเป็นพุทธพจน์ของเราพวกเธอเท่าไหายจะไม่สนใจนี่มันเป็นคําเตือน เส็แนะลนอโปรยกตัวอย่างเช่อย่างกรองอการร่วงไปนะกษัตริย์กลองก็ตีรบกษักรกตริย์ตรงนี้มาเวลาไปรบกันเอากรองไปตีพอแตกแล้วเอาลิ่มไปสอดไว้ให้มันไม่กรองมันหลุดกษักตริย์ตรงนั้นมานเอากรองไปตีมันแตกแล้วเอาลิ่มมาเสียไปเสียไปเสียไว้เสียไว้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังท่านเตือนมันเป็นคําเตือ น, นเฉ ย, เฉย ไม่ใช่ท่านมาตําหนิพระสงฆ์สาวกทุกวันไม่ใช่บางคนก็เอามาพูดมาอ้างแล้วก็เอานี้คํานี้อะไรมาอ้างเอาคํานี้มาอ้างมาเอามาอ้างแล้วก็พวกกี่ไม่รู้ไม่เข้าใจรู้ไม่เท่าถึงอเหมือนกับเหมือนกับผู้ใหญ่ซื้อขนมอันอันอร่อยๆไปลองดิเพื่อเอาคะแนนนิมยมให้กับตัวเอง เือเอาคะแนนนี้จยให้กับตัวเองเราฟังให้ดีใครบ้างที่มีภาวะแบบนั้นวันนี้จบแค่นี้เวลาเท่าไหร่แล้วอ่าจบแค่นี้